เจตนา10ประการวงเล็บ1นึ่พิษสูตรทำน้ําอสุจิให้เคลื่อนเพื่อความหายโรควงเล็บ2ภงพิษสูตรทน้ําอสุจิให้เคลื่อนเพื่อความสุขวงเล็บ3ภมพิษสูตรทำน้ําอสุจิให้เคลื่อนเพื่อเป็นยาวงเล็บ4ี่พิษสูตรทำน้ําอสุจิให้เคลื่อนเพื่อเป็นทานวงเล็บ5ภิกษุทําน้ําอสุจิให้เคลื่อนเพื่อเป็นบุญวงเล็บห พิสูจน์ทำน้ำอสุจ like ิให้เคลื่อนเพื่อบูชายันวงเล็บเจ็ดพิสูจน์ทำน้ำอสุจิให้เคลื่อนเพื่อจะไปสวรรค์วงเล็บแดพิกษุน์ทำน้ำอสุจิให้เคลื่อนเพื่อสืบพันธุ์วงเล็บเก้าพิสูจน์ทำน้ำอสุจิให้เคลื่อนเพื่อทดลองวงเล็บสิบพิสูจน์ทำน้ำอสุจิให้เคลื่อนเพื่อความสนุก